ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราภพิรกิตะอมโรเกิดปัดบรมิวารชนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอุทเทศในปาราชิกุทเทศส่วนภิ่สุมีสิกขาบทสี่ ส่วนภิกษุณีมีแปดสิกขาบทในสังฆาทิเศษสุเทศส่วนภิกษุมีสิบสามส่วนภิกษุณีมีสิบเจ็ดสิกขาบทในอนิยตตุเทศมีสิกขาบทสองอนิยตตุเทศนี้ในภิกษุณีปาติโมกไม่มีมีเฉพาะของภิกขุ ป, ปาติโมกเท่านั้นในนิสตคียุตเทศส่วนภิกษุสามสิบสิกขาบทส่วนภิกษุณีก็สามสิบเหมือนกัน ในปาจิตยุเทศส่วนพิกจุมีสิกขาบท92ส่วนพิกษุณีมีถึง166ในปาติเดสนิยุเทศส่วนพิกจุมีสิกขาบท4ส่วนพิกษุณีก็มี8ของเท่าของพิกษุในเสตยุเทศส่วนพิกจุและพิกษุณีมีสิกขาบท75เท่ากันเหมือนกันด้วยทุกข้อเลยในธรรมตุเทศไม่มีสิกขาบทมีแต่ธรรม7ประการ ก็คือสัมมุาวินยัยสติวินยัยอมุรหาวินยัยปตัตตญยาจักรณะเยปุยติกาแล้วก็ตัดสตปาปิยตสิกาตินาวถาระกะเป็นสมถะเพราะเป็นของสําหรับระงับอธิกรณสี่มีวิวาทาอธิกรณ์เป็นการวิวาทะระกานเรื่องธรรมวินัยอนุวาธาอธิกรก็เป็นการโจทดอาบัตกันอาบัตาบตาธิกรก็เป็นการต้องอาบัตจิตใจอธิกรก็เป็นสังขจิตเป็นกิตที่ทงต้องทํา อธิกรณ์สี่เรานี้เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการซึ่งก็ใช้อธิกรณ์สมถะเจ็ดเป็นวิธีการเข้ามาจัดการกล่าวปาติโมกุเทศส่วนพิจุเก้าอุเทศส่วนพิจณีมีแปดอุเทศเท่านั้นก็คือไม่มีอนิยตุเทศกล่าวตามชื่อซึ่งมีอยู่ในคำภีรพระปาติโมอันนี้กล่าวตามคำภีปาติโม ซึ่งเป็นอัตถกาท่านพระพุทธโกศอาจารย์เป็นผู้ที่เรียบเรียงรัชนาธนาอัตถาแบบยอ่อถ้าแบบทิฏฐานจะต้องสมันตะปาสาธิกาถ้าจะกล่าวโดยพุทธบัญญัติไซมีอยู่ห้าคือนิธานุเทศเป็นที่หนึ่งปาราชิปุเทศเป็นที่สองสังฆาทิเศษสุดเทศเป็นที่สามอนิยจตุเทศเป็นที่สี่ตั้งแต่นิสกิยยุทเทศไปจนถึงสมทัทถุเทศเป็นที่ห้า อันนี้ก็รวมเรียกว่าวิถารุทเทศวิถารุเทศดับพิสดาเลยเวลาสวดการสวดเลยอเ น, นจตมาเมื่อก็อต้องสวดพิสดารไม่งั้นย่อก็ต้องถึงอเิจต์นี่แหละแล้วก็ย่อดังนี้ตรงบัญญัติเป็นห้านี้เพื่อจะให้รู้จักตาพิโมกโดยย่อและพิสดารในเวลาเมื่อมีอันตรายความนี้จะรู้แจ้งในอุปสัทธกถาข้างหน้านู้นว่าโดยอุเทศจบ อันหนึ่งในปุพพศิกษากล่าวสัจจิกะและวัชชะไว้ในราถานี้นั้นจะยกไว้ก่อนจะไว้กล่าวในสมุทฐานกาถาเบื้องหน้านูนสิกขาปะะปริเฉกคาถาจบอันนี้ก็เป็นการกำหนดสิกขาบทในอุทเทศต่างๆซึ่งก็มีสองในถ้าโดยเอาในปาติโมก ค, คำถีพระปาติโมก็มีเก้าอุเทศพิสเก้าุเทศทิกมีแปดอุเทศก็เอาตามพระพุทธพจน์ วิธีการสวดยอดพิสดารเนี่ยก็มีห้าอุเทศของพิษณีก็มีสี่อุเทศไปจะกล่าในวิธีมีสมุดฐานเป็นต้นที่ชื่อว่าสมุดฐานสมุดฐานแปลว่าที่เกิดแห่งอาบัตในสิกขาบทนั้นนั้นต่อแลสมุดฐานแห่งอาบัตในสิกขาบททั้งปวงนั้นมีหกคือกายเป็นที่หนึ่งวาจาเป็นที่สองกายวาจาเป็นที่สาม กายจิตเป็นที่สี่วาจาจิตเป็นที่ห้ากายวาจาจิตเป็นที่หกเป็นหกด้วยกันกายอย่างเดียวหรือวาจาอย่างเดียวเป็นสมุดฐานอันหนึง่งดังนี้ชื่อว่าเอกังคิกะว่าสมุดฐานมีองค์อันเดียวกายอย่างเดียวหรือว่าวาจาอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าเอกังคิกะสมุดฐานอันเดียวกายกับวาจาหรือว่ากายกับจิตหรือวาจากับจิตก็ดี เป็นสมุดฐานอันหนึง่งดังนี้ชื่อว่าทวังคิกะว่าสมุดฐานมีองค์สองก็คือกายกับวาจาเรียกว่าเป็นสมุดฐานหนึง่งแต่มันมีองค์สองอย่างคือกายองค์หนึ่งกับวาจาองค์หนึ่งหรือว่ากายกับจิตก็ตามหรือว่าวาจากับจิตก็ตามอันนี้เรียกว่าทวังคิกะสมุดฐานมีองค์สองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตเป็นสมุดฐานอันหนึง่งดังนี้ชื่อว่าติวังคิกะว่าสมุดฐานมีองค์สาม สามขั้นต้นคือกายหนึ่งวาจาหนึ่งกายวาจาหนึ่งนี้ชื่อว่าอจิตตสมุทฐานเป็นอจิตตกะเพราะไม่มีจิตเจือด้วยและอาบัตในสิกขาบทใดต้องด้วยสมุทฐานสามเหล่านี้อันใดอันหนึ่งสิกขาบทนั้นก็เป็นอจิตตกะด้วยก็คือไม่มีเจตนาจะเก้าร่วงสิกขาบทหรือว่าไม่รู้สิกขาบทก็ตามถ้าไปร่วงเข้าก็ต้องอาบัตเป็นอจิตตกะจะรู้ไม่รู้ก็ เป็นอาชิตตะการนี้ต้องอบัตหมดแหละส่วนสามข้างปลายคือกายจิตหนึ่งวาจาจิตหนึ่งกายวาจาจิตหนึ่งนี้ชื่อว่าสจิตตะสมุทฐานมีจิตเจือด้วยอบัตในสิกขาบทใดต้องด้วยสมุทฐานเหล่านี้อันใดอันหนึ่งไม่มีสมุทฐานข้างต้นเจือด้วยเลยสิกขาบทนั้นเป็นสจิตตกะมีจิตเจือด้วยก็คือจะต้องมีความตั้งใจกระทําสิ่งนั้น ถึงจะเป็นอบัตจะรู้สิขาบทหรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ามีความตั้งใจเช่นตั้งใจในการตัดต้นไม้แม้จะไม่รู้สิขาบทแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นอบัตแต่ถ้าแม้ไม่รู้สิขาบทแต่ว่าตั้งใจเช่นเ็ะเก็บ ด, ดอกไม้มาบูชาพระตั้งใจเก็บมีอบัตเป็นแต่จิตตะแต่ว่าถ้าเดินไปเตะหญ้าขาดหรือว่าเดินไปชนใบไม้มันหักมันร่วงไปนปี่ก็ ไม่เป็นอบัตเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปกระทำํำอาบัตทั้งปวงที่ตุ้ต้องด้วยสมุดฐานหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างหกบ้างต้องด้วยสมุดฐานห้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าสถูกฐานเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามสมุดฐานแต่ว่าองค์ที่รวมกันเนี่ยสมุดฐานห้าเนี่ยไม่มีมีแต่สมุดฐานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หกรวมกัน อาบัตในสิกขาบทใดที่สุต้องด้วยสมุทฐานที่สี่อย่างเดียวก็คือกายจิตสมุทฐานที่สี่นี่้คือกายจิตดังในปฐมปาราชิกปฐมปาราชิตนี่มีสมุทฐานคือกายจิตก็คือใช้กายด้วยแล้วก็มีเจตนาในการที่จะก้าวโล่งด้วยเศเมถุนนั่นเองสิกขาบทต่อเศเมถุนนั่นแหละต้องด้วยกายจิต ต้องด้วยสมุทฐานที่ห้าอย่างเดียวดังในธรรมเทศนาสิกขาบทก็คือวาจาจิตจะไปแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่มีความเคารพนั่งอยู่ในที่ตำ่ำแล้วก็ปแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่ในที่สูงหรือว่ายืนอยู่แสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่ต้องอบัตตุกดอันนี้ก็เป็นวาจาจิตมีเจตนาด้วยมีวาจาด้วยแล้วก็ต้องด้วยสมุทฐานหกอย่างเดียวก็คือกายวาจาจิต ดังในสังฆเพเททสิกขาบทก็คือพวกสมนุภาพทั้งหลายสรวจประกาศสามครั้งสังฆเพเนทสิกขาบทที่สิบในสังฆาธิเศษพว้ที่ยาวัตะติยกะก็คือต้องสรวจประกาศสามครั้งตัว น, นี้ต้องด้วยกายวาจาจิตสมุทฐานที่หกดางเดียวสามนี้ชื่อว่าเอกสมุทฐานสิกขาบทก็คือต้องด้วยสมุทฐานอันเดียวต้องด้วยสมุทฐานอันเดียวกายจิต วาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตต้องด้วยสมุทฐานนั่นเดียวอับบัตในสิกขาบทใดที่สุต้องด้วยสมุทฐานที่หนึ่งหรือที่สี่ที่หนึ่งก็คือกายที่สีก็คือกายจิตดังในเอรักโรมะสิกขาบทก็ดีก็คือเอรักโรมะสิกขาบทหมาถึงกับขนเทียมแล้วเดินไกลเกินสามยอดนี่คนนําไปให้ก็ต้องอับัตด้วยกายหร้อกกายจิตจะมี เจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่มีการเคลื่อนไหวไกายก็ธอรมบัติมีกายจิตก็ธรรมบัติต้องด้ว ย, ยส ม, มุทฐานที่สามก็คือกายวาจาหรือที่ห้าคือวาจาจิตดังในปะดะโสธรรมะสิกขาบทก็ดีป ะ, ดะโศธรรมก็หมายถึงสอนทำการรู้สบันให้ว่าพร้อมกันอันนี้แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นอบัตเพราะว่าเป็นกายวาจาหรือว่าวาจาจิตมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็เป็นอบัติด้วย ต้องด้วยสมุติฐานที่สามก็คือกายวาจาหรือที่หกคือกายวาจาจิตดังในปฐมกฐินสิกขาบทปฐมกฐินหมายถึงว่าเก็บอติเรกชีวรเกินสิบวันถ้าดกฐินดอแล้วเนี่ยนะไม่มีอิเปิดโพธิ์ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเก็บอติเรชีวอนพลาที่ไม่ได้อธิษฐานได้กลับไปเนี่ยเกินสิบวันต้องอาบัตินิสักยญาปจิตตี ก็ต้องด้วยสมุทฐานนี่แหละก็คือสมุทฐานที่สามกับที่หกกายวาจากับกายวาจาจิตไม่อธิษฐานแล้วก็ไม่ถอนไม่ได้สละไม่อธิษฐานไว้หรือว่าไม่สละก็ต้องเัาบข้อนี้แล้วก็ต้องด้วยสมุทฐานที่ห้าก็คือวาจาจิตกับที่หกคือกายวาจาจิตในโจรีวุฒถานปนะศิกขาบทก็ดีอันนี้ก็ของภิชชุนีบวชหญิงโจรเนี่ยนะ บวชหญิงโจนให้เป็นทิศณีนี้ก็ต้องอบบัตสังฆาพิเศษนะห้าสิกขาบทนี้ชื่อว่าทวิสมุทฐานก็คือมีสมุทฐานสองต้องอบบัต ด, ด้วยสมุทฐานสองอับัตในสิกขาบทใดที่ตุต้องด้วยสมุทฐานข้างต้นคือที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามที่หนึ่งก็คือกายที่สองคือวาจาที่สามก็คือกายวาจา ดังในภูตาโรจนะสิกขาบทก็ดีภูตาโรจนะสิกขาบทก็คือบอกอุตริมุสธรรมที่มีจริงแต่อนุสมบัญเนี่ยนะเป็นอกิจตกาศกายหรือวาจาหรือว่ากายวาจานี่ก็เป็นอกิติกต้องด้วยส ม, มุทฐานสามข้างปลายคือกายจิตส ม, มุทฐานที่สี่นะกายจิตที่ห้าก็วาจาจิตที่หกก็คือกายวาจาจิต ด, ดังในอัินาทานสิกขาบทก็ดีอัินาทานก็ทุติยปราชิก ต้องด้วยสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตมีเป็นสัจจิตกะกัดสองสิขบทนี้ชื่อว่าติสมุทฐานคือมีสมุทฐานสามฉะนั้นอบัตบางข้อต้องด้วยสมุทฐานเดียวอบัตบางข้อต้องด้วยสองสมุทฐานอบัตบางข้อต้องด้วยสามสมุทฐานเลยสิกขาบทที่มีสมุทฐานสามติสมุทฐานเนี่ยนะ ส่วนอาบันในสิกขาบทนายพิสูตต้องด้วยสมุทฐานที่หนึ่งก็คือกายสมุทฐานที่สามก็คือกายวาจาสมุทฐานที่สี่คือกายจิตสมุทฐานที่หกก็คือกายวาจาจิตดังในอัฏฐานสิกขาบทก็ดีก็คือชักชวนมาตุขามให้เดินทางไกลสิ้นระยะบ้านหนึ่งก็เป็นปจิตตีนี้ต้องโดยสมุทฐานสี่เลยไม่ต้องโดยสมุทฐานสี่กายวาจากายจิตแล้วก็กายวาจาจิตอัฏานสิกขาบท ถือว่าต้องด้วยส ม, มุทฐานที่สองคือวาจาที่สามก็คือกายวาจาที่ห้าคือวาจาจิตที่หกคือกายวาจาจิตดังอะนะนุญญาติขาบทมาถึงสิขาบทที่ว่าด้วยบวชสตรีที่เจ้าของหรือว่าสามีหรือว่าพ่อแม่เขายังไม่ได้อนุญาตเข้าไปบวชให้นี่ก็ต้องอาบัติปัจิตีเหมือนกันนี่ก็ต้องด้วยส ม, มุทฐานสี่ สองสิกขบทนี้ชื่อว่าจะตุสมุดฐานก็คือต้องด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานเลยอ่าบันในสิกาบทใดต้องด้วยสมุดฐานหกก็คือที่หนึ่งที่สอที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเลยดังสันเจริษตัดสิกขาบทสันเจริษตสิกขาบทนี้ชื่อว่าฉะสมุดฐานสิกขาบทที่มีสมุดฐานหกเลยชัดตื่นเป็นหัวมีอากัรเนี่ยนะต้องด้วยสมุดฐานทั้งหกเพราะนั้นนี่จะอยู่ในสมุดฐานไหนก็ต้องอ่านบันหมด เมื่อมีการชักสื่อสจิตกะอาจิตตกะเป็นอาจิตตกะได้นะเพราะนั้นจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ต้องอบัตหมดเข้าไปชักสื่อให้เป็นขวมเยียกันอบัตทั้งปวงว่าโดยสมุดฐานทั้งหมดเลยก็มีสิบสามสมุดฐานด้วยกันอบัตสิบสามนั้นได้ชื่อทั้งสิบสามโดยสมุดฐานตามสิกขาบทที่เป็นปฐมบัญญัติดังนี้ว่าดูสมุดฐานสิบสามนะก็คือสมุดฐานแรกเขาเรียกว่าปฐมปาราชิตสมุดฐาน ปฐมปาราชิกสมุทฐานก็อะไรกายจิตปฐมปาราชิกสมุทฐานก็คือเมธุนัสสิกขาบทนั่นเองต้องด้วยกายจิตเป็นสมุทฐานที่สี่สมุทฐานที่สี่กายจิตสมุทฐานที่สองก็คืออธินนาทานสมุทฐานหรือว่าพุทธิยะปาราชิกนั่นเองอธินนาทานสมุทฐานก็มีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตสมุทฐานที่สี่ที่ห้าที่หกนั่นเอง แล้วก็สมุทฐานที่สามก็เรียกว่าสันเจริตสมุทฐานชักเสือเป็นผัวเมียกักก 6, 6นก็ทั้งหกหกสมุทฐานเลยกายวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตทั้งหกเลยแล้วก็สมุทฐานที่สี่ก็เรียกว่าสัมมนุภานะสมุทฐานก็คือประกาศห้ามสามครั้งพวกยาวัตติยะกาติขาบทที่ต้องสวนประกาศสามครั้งต้องด้วยสมุทฐานที่หกก็คือกายวาจาจิต ต่อไปสมุทฐานที่ห้าก็คือปฐมกัถินสมุทฐานปฐมกัถินสมุทฐานก็ทรงเจริญจีวรเกินสิบวันนะนะส่วนเจริญจีวรเกินสิบวันนี้จะมีสมุทฐานสองก็คือสมุทฐานที่สามกับที่หกกายวาจากับกายวาจาจิตปฐมกัถินสมุทฐานต่อไปสมุทฐานที่หกก็คือเอรัตโรมะสมุทฐานถือขันธ์เทียมเดินทางไกลเนี่ยเกิน สามโยตก็กายกับกายจิตกายกายจิตต้องมีกายเข้ามาเกี่ยวจะมีเจตนาไม่มีเจตนาก็าแล้วแต่สมุดฐานที่เจ็ดก็ปะละโศธรรมสมุดฐานเวลาทำโดยบทก็คือไปแสดงทำกายนุสมบัญที่ให้ว่าพร้อมกันเนี่ยจะมีสมูตรฐานสองเหมือนกันก็คือสมุดฐานที่สามกายวาจากับสมุดฐานที่ห้าปารจาจิตกายวาจาแล้วก็ปาจาจิตปะละโศธรรมสมุดฐาน แล้วก็สมุทฐานที่แปดก็คืออัฏฐานะสมุทฐานชักชวนมาดุขามให้เดินทางไกลเกินบ้านหนึ่งเนี่ยนะชั่วไก่บินตกสมุทฐานที่เป็นอัฏฐานะสมุทฐานนี่ก็มีสมุรฐานถึงสี่อย่างด้วยกันก็คือสมุทฐานที่หนึ่งกายสมุทฐานที่สามกายวาจาสมุทฐานที่สี่ก็กายจิตแล้วก็สมุทฐานที่หกกายวาจาจิตเรียกว่าอัฏฐานะสมุทฐาน ส่วนสมุดฐานที่เก้าก็คื อ, อยยทยาศตถสมุดฐานยยทยาศตะสมุดฐานนี่ก็ชักชวนพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยให้เดินทางร่วมกันก็สิ้นระยะบ้านหนึ่งกันนะสิ้นระยะบ้านหนึ่งอันนี้ก็มีสมุดฐานเท่าไหร่นี้ไม่ได้บอกไปเดี๋ยวจะมาบอกขึหลังก็้ละกันต่อไปสมุดฐานที่สิบก็คือธรรมเทศนาสมุดฐานแสดงธรรมก่ผู้ที่ไม่เคารพ ธรรมเทศนานี่วาจาจิตสมุทฐานเดียวต้องมีเจตนาด้วยมีการเปล่งวาจาแล้วก็ต้องมีเจตนาแสดงธรรมกับคนที่เขาไม่เคารพด้วยนะถึงจะต้องอบัตสมุทฐานที่สิบนี่ธรรมเทศนาสมุทฐานนี่สมุทฐานเดียวก็คือวาจาจิตสมุทฐานที่สิบเอ็ดก็คือภูตาโรจนะสมุทฐานบอกอุตริมนุสธรมธรมแกนุสบันแม้ว่ามีจริงนะก็ต้องอบัตเหมือนกันอันนี้เป็นอาเจติกามีสมุทฐานสาม ก็คือกายอย่างหนึ่งวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาอย่างหนึ่งเป็นอจิติกะมีสำนับพูดก็มีคุณธรรมจริงๆกันแลหละถ้า บ, บอกก็สองอ ბ ัตเป็นอจิตกะสมุทฐานที่สิบต่อก็คือโจรีวุฒิฐานปนัตสมุทฐานรู้อยู่แล้วก็บวชหญิงโจรรู้อยู่แล้วก็ไปบวชให้หญิงโจร น, นี่มีอบัตด้วยนะมีสมุทฐานสองเหมือนกันก็คือวาจาจิตกับกายวาจาจิตสมุทฐานที่ห้ากับที่หก จรีวุธาปนาสมุตฐานส่วนสมุตฐานนั้นสุดท้ายเป็นว่าอะนะนุญยาตะสมุตฐานไปบวชหญิงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บวชก็คือพ่อแม่เขาหรือว่าสามีเขายังไม่ให้อนุญาตให้บวชไปบวชภิกุณีให้เนี่ยนะต้องอบัตตากิจตีก็มีสมุตฐานสี่ก็คือสมุตฐานที่สองวาจาที่สามกายวาจาที่ห้าวาจาจิตแล้วก็ที่หกกายวาจาจิตอันนี้ก็เป็นสมุตฐานยี่ิบสามอย่าง อาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่กายกับจิตก็คือสมุทฐานที่ 4. สีสิกขาบทนั้นชื่อว่าปฐมปาราชิกสมุทฐานมีมากที่สุดเลยในสิกขาบททั้งหมดของพิกษุทิสุนีรวมทั้งหมดก็คือเจ็ดสิบหกสิกขาบทที่ต้องด้วยสมุทฐานนี้คือปาราชิกสมุทฐานอาบัตในสิกขาบทใดที่เกิดแต่สกจิจตะสมุทฐานสามข้างปลายคือสมุทฐานที่สี กายกจิตที่ห้าวาจาจิตที่หกกวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าอธินาธานสมุทฐานก็คือทุติยปราชิตมีมากถึงเจ็ดสิบสิกขาบทรวมกันทั้งที่สุงที่ตุณยุนแหละอาบัตนายสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานทั้งหกสิกขาบทนั้นชื่อว่าสัญจริตตสมุทฐานทักตื่นให้เป็นผัวมียกันเนี่ยนะ สิกขาบท อ, าอื่นที่มีสมุดฐานทั้งหกอย่างนี้ก็เรียกว่าสันเจริญตาสมุดฐานเหมือนกันหมดทั้งหมดมีถึงห้าสิทธิขาบทด้วยกันทั้งที่สุพิกณีอาบันในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุดฐานที่หกอย่างเดียวก็คือกายวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าสมมนุภาสะนะสมุดฐานก็คือส่วนต่างสามครั้งเนี่ยแต่ว่าก็จะมีสิกขาบทอื่นที่ไม่ได้ส่วนด้วยก็มีจะมีทั้งหมดสามสิบเจ็ดสิกขาบท ให้ชมนุภาชนะสมุทฐานต้องด้วยกายวาจาจิตอาบัตในติขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานที่สามและที่หกที่สามก็คือกายวาจาที่หกก็คือกายวาจาจิตสิขาบทนั้นชื่อว่าปฐมกถินสมุทฐานปฐมกถินสมุทฐานก็คืออะไรคือตองอธิราชีวรเกินสิบวันเนี่ยนะมีถึงยี่สิบเก้าติขาบทด้วยกัน สิกขาบทที่ต้องเหมือนกับปฐมกสินนี้ก็เรียกว่าปฐมกสิทธิสมุทฐานหมดอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานที่หนึ่งก็คือกายและที่สี่คือกายจิตสิกขาบทนั้นก็ชื่อว่าเอรักโรมสมุทฐ า, านมีถึง 4, สี่สิบสี่สิกขาบทอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแก่สมุทฐานที่สองก็คือวาจาและที่ห้าก็คือวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าปะาโทธรรมสมุทฐานมีแค่เจดสิกขาบทเท่านั้น สอนทำกายโนตัมบันให้ว่าพร้อมกันปะณะโตธรรมะมีแพ่ยเจ็ดสิกขาบทเท่านั้นอันบัดในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุดฐานที่หนึ่งก็คือกายที่สามคือกายวาจาที่สี่คือกายจิตที่หกคือกายวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าอัตทานะสมุดฐานชักชวนมาตุคามเดินทางไกลเน่ย น, นะจะมีสิกขาบทที่ต้องเรียสมุดฐานนี้ทั้งหมดติดห้าสิกขาบทด้วยกัน อาบัตในสิกขาบทไดเกิดแต่สมุทฐานที่สี่ก็คือกายจิตที่หกคือกายวาจาจิตสิกขาบท น, นั้นชื่อว่าเถยยะตัฏฐสมุทฐานอาจเจอแล้วนะมีสองสมุทฐานเถยยะตัฏฐสมุทฐานเป็นสมุทฐานที่ว่าด้วยสิกขาบทที่ต้นเหตุก็คือชักชวนพวกพ่อค้าเกวียนพวกพอ่พกพอค้าต่างที่พ่อค้าต่างเกวียนต่างที่เป็นโจรเนี่ยหนีภาษีเนี่ยเดินทางไกลด้วยกันทิ้งบ้านหนึ่งก็เรียกว่า เทยะสัทธสมุทฐานมีสมุทฐานสองนะคือกายจิตสมุทฐานที่สี่กับที่หกกายวาจาจิตอาจจะมีสิกขาบทที่มีสมุทฐานเหมือนกันกันกบเทยะสัทธะสิกขาบทนี้ทั้งหมดเจ็ดสิกขาบทเรียกว่าเป็นเทยะสัทธสมุทฐานทั้งหมดอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานที่ห้าคือวาจาจิตอย่างเดียวสิกขาบทนั้นชื่อว่าธรรมเทศนาสมุทฐานก็คือแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่ฆะรพ จะมีทั้งหมด11สิกขาบทอยู่ในเศรษฐวัดแล้วก็อาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่อจิตตะสมุทฐานสามข้างต้นก็คือกายสมุทฐานที่หนึ่งนะที่สองก็วาจาที่สามก็กายวาจาเป็นอจิตตะสมุทฐานไม่มีจิตเจือสิกขาบทนั้นชื่อว่าภูตาโรจนะสมุทฐานมีเพียงสิกขาบทเดียวเท่านั้นเองก็คือบอกอุตริมุตุธรรมที่มีจริงการนุสัมปันเนีย่ยแม้มีจริงก็ห้ามอวด ถ้าไปอวดก็ต้องปฏิจดีถ้าไม่มีจริงไปอวดให้ต้องประราชิกเลยนะต้องประราชิกอันนั้นก็เป็นสมุดฐานอภิณฐ า, านทุติยปรราชิกอภินนาานสมุดฐานการอวดอุตตริมนุส ธ, ธรรมก็ตามหรือว่าการฆ่ามนุษย์ก็ตามก็สมุดฐานสาเหมือนกับทุติยประราชิกแต่ว่าอันนี้เป็นอจิตตกะภูตาโรจนะนี่อวดอุตริมนุส ธ, ธรรมที่มีจริงแก่อนุสสบำบังถ้าไปอวดแก่พิจุพิจุณีอะไรนี่ก็ยังไม่มีอ ბ ัติ ต้องอนุสัมบัญชันจะมีอัตติจิตตีแต่ว่าเมื่อโอ้อวดคือถ้ามีจริงก็คงไม่อวดแต่ว่าอันนี้มีจริงไม่ใช่เป็นการอวดแบบราโมกะนะแต่ว่าไปบอกก็ไม่สมควรบอกกับกฤษหัดก็ไม่สมควรแม้มีจริงก็ควรจะพูดอ้อมๆพูดลงเลี่ยงๆอัตติสิขาบทใดเกิดแต่สมุดฐานที่ห้าก็คือวาจาจิตและที่หกก็คือกายวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าโจรีวุฒธธาปณะนะ ทบุตรฐานก็มีศิกยาบทเดียวเหมือนกันบวชหญิงที่เป็นโจรเนี่ยนะต้นเหตุก็มาเหตุศีของเจ้าฤชุวีชอบไปลักลอบทําไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นเขาก็ขู่จะฆ่าแล้วก็เลยหนีมาหนีมาภายหลังก็มาบวชในสํานักติกสุนีติตกษุณีสุรัันธาก็เลยบวชให้แล้วเป็นต้นเหตุที่ทําให้บัญญัติษาบท ว, ว่ารู้ว่าเขาเป็นโจรแล้วบวชให้มีตอ้องการบัตรจิตตี สิกขาบทแห่งนางภิกษุณีอาบัตในสิกขาบทใดจริยุถาปณะสมุทฐานเป็นสมุทฐานอยู่ในสิกขาบทของนางภิกษุณีมีสมุทฐานสองวาจาจิตกับกายวาจาจิตสมุทฐานที่ห้าที่หกส่วนอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานที่สองก็คือวาจาและที่สามคือกายวาจาและที่ห้าคือวาจาจิตและที่หกด้วยกายวาจาจิต มุทฐานสี่เลยนะวาจาอย่างหนึ่งกายวาจาอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งสิกขาบทนั้นชื่อว่าอะนะนุญยาตะสมุทฐานก็มีเพียงสิกขาบทเดียวเหมือนกันได้แก่อะไรบวชตับหญิงผู้ที่สามีมานาบิดาไม่ได้อนุญาตไว้ก็ต้องบัตรปฏิทินเหมือนกัน ว่ามีสมุทฐานดังอะนะนุญยาตะศิกระบทแห่งหนาพิกษณีก็ครบทั้งสิบสามสมุทฐานดังนี้ก็แลด้วยคําว่าวิธีมีสมุทฐานเป็นต้นนั้นตงเคราะเอากิริยาสัญญาจิตวัชชะกรรมติกะแล้วก็อานัคด้วยสมุทฐานวิธีวิธีมีสมุทฐานเป็นต้นจะแสดงเรื่องของกิริยา คืออบัติข้อไหนที่ต้องด้วยการทำหรือว่าอาจิริยาต้องด้วยไม่ทำหรือว่ า, ğan, ากิริยาบ้างอาจิริยาบ้างทำด้วยไม่ทำบ้างสัญญาก็ได้แก่พวกพ้นได้ด้วยมีสัญญาหรือว่าไม่พ้นแม้ไม่มีสัญญาจิตก็มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาวัชะก็เป็นโทษเป็นโลกะวัชะหรือว่าเป็นปัธติวัชะกรรมก็ได้แก่ร่วมทางกายหรือว่าทางวาจาแต่รวมทางวาจาก็เป็นวิชีกรรมร่วมทางกายจะเป็นกายกรรม หรือว่าทั้งคู่โดยก็เป็นทั้งกายทั้งวาจาติกะก็มีสองอย่างก็คื อ, คอกุศลอกุศลอภิญญาตเรตตังหัวจิตกับเวทนาสุขทุกข์หรือว่าอุเบกขาเนี่ก็เเรื่องเวทนาก็จำแนกติกะอนัตก็เป็นเรื่องของการกระทําที่ตนเองหรือว่าการให้คนอื่นทําก็มีอบัติเพราะว่าติกะบทบางอย่างทําด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะต้องเรียกว่าสหติกะถ้าเกิดใช้คนอื่นแล้วก็ต้องด้วยก็เรียกว่าอานานติกะ ก็แลอาบัตในสิกขาบททั้งปวงโดยกิริยามีห้าอย่างก็คือกิริยาหนึ่งแปลว่าทำจริงต้องอ่ะกิริยาหนึ่งแปลว่าไม่ทำจริงต้องกิริยากิริยาก็มาจากคำว่ากิริยะกับอ่ะกิริยะนั่นเองกิริยาแต่กิริย า, ก, า, ก, ยาก็คือทำด้วยไม่ทำด้วยจะต้องทำด้วยไม่ทำด้วยนี่แต่ต้อ ง, ยย อ, งอย่างนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่ง ก็คือสิยากิริยาสิยาอกิริยาบางครั้งบางครั้งทำต้องบางครั้งไม่ทำต้องสุดท้ายปริห้าก็คือสิยากิริยาสิยากิริยากิริยาบางครั้งต้องเพราะทำบางครั้งต้องเพราะทำบ้างไม่ทำบ้างเป็นห้าอย่างนี้นะ อบับดับในสิกขาบทใด ย, ย่อมเป็นแก่พิจุผู้ทำซึ่งความร่วมด้วยกายหรือวาจาดังในปัททวีคณนะสิกขาบทเป็นต้นขุดดินนี่นะสิกขาบทนั้นชื่อว่ากิริยาเพราะไปขุดจรงต้องคือเกิดแต่การทำอบับดับในสิกขาบทใด ย, ย่อมมีแก่พิจุผู้ไม่ทำซึ่งกรรมอันตนจะพึงทำด้วยกายและวาจาดังในปฐมกฐินสิกขาบทก็คือไม่ทำการวิกัพและอธิษฐาน ไว้อัตเตจีวรให้เกินสิบวันดังนี้สิขาบทนั้นชื่อว่าเป็นอะกิริยาก็คือไม่ยอมที่จะทําไม่ทําการวิกัปอธิษฐานก็เลยต้องคือเกิดแต่ความไม่ทํอาอับันในสิขาบทได ย, ย่อมเป็นแก่พิจุที่ทําด้วยและไม่ทําด้วยดังในจีวรปฏิขหาหนาสิขาบทก็คือทําซึ่งการรับผ้าจีวรนแต่มือแห่งหนาภิกษุณีผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ทําซึ่งการแลกเปลี่ยน ก่อนจึงเป็นอบัติก็คือที่ทำต้องก็เพราะว่าเปตะจีวนันจากพิษณีผู้มิชยาที่ไม่ทำจริงต้องก็เพราะว่าไม่ทำการแลกเปลี่ยนสิกขาบทดังนี้นั้นชื่อว่าเป็นกิริยากิริยาคือเกิดแต่การทำและการไม่ทำอบัตในสิกขาบทได้ย่อมเป็นแก่พิจุผู้บางทีทำบางทีไม่ทำดังในรูปิยะปฏิทหานาสิกขาบท บางทีต้องด้วยทําซึ่งการรับรูปิยะก็คือรับเงินทองนั่นเองาบางทีต้องด้วยความไม่ทําซึ่งความห้ามรูปียะที่เขาให้ก็คือเวลาที่เขาเอาเงินมาถวายไม่ห้ามรับด้วยใจยแล้วก็นิ่งด้วยด้วยกายวาจาก well. ็ถือว่าเป็นอันรับแต่ถ้าเกิดไม่ยินดีด้วยใจแต่ว่าไม่ห้ามด้วยกายวาจานี้ไม่เป็นอ บ, บัติแต่ถ้ายินดีด้วยใจแล้วต้องห้ามทางกายวาจารหรือว่าห้าม ห้ามทางทวารใจอิทวันหนึ่งนี้ก็พ้าะน้าอับ น, นะถ้าไม่ห้ามทางใจวาจาแต่ดีรับทางใจนี้ก็มีอัติด้วยเพราะฉะนั้นสิกขาบทดังนี้นั้นชื่อว่าเป็นสิยากิริยาสิยาอากิริยาคือบางทีเกิดแต่การทําบางทีเกิดแต่การไม่ทํอาอบัตดในสิกขาบทใด ย, ย่อมเป็นแก่ทิฏฐุผู้บางทีทําบางทีทําด้วยไม่ทําด้วยดังในกุติการะศึกษาบทก็คือสร้างกุฏิใหญ่เกินประมาณมให้สงแสดงที่ให้ บางทีเป็นอาบัตด้วยให้สงแสดงที่แล้วทางกุติให้ร่วงประมาณมีขนาดให้สงแสดงที่เลยนะแต่ว่าไปทําร่วมประมาณก็บารสำคัญทิเสรเหมือนกันบางทีอาบัตด้วยไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนและทําให้ร่วมเกินประมาณด้วยอาบัตสองตัวเลยทางง่ายเสร็จสองตัวเลยไม่ให้สงแสดงที่ให้อย่างหนึ่งแล้วก็ทําร่วงประมาณอย่างหนึ่งสิกขาบทดังนี้ชื่อว่าเป็นสิยากิริยาสิยากิรยิรยากิริยาๆๆๆๆ คือบางทีเกิดแต่การทําบางทีเกิดแต่การทําและไม่ทําด้วยอันหนึ่งสิกขาบททั้งปวงว่าโดยสัญญาจะมีสองก็คือสัญญาวิโมกหนึ่งโนสัญญาวิโมกหนึ่งในสิกขาบทใดพ้นจากอาบัตได้ด้วยสําคัญจะไม่ล่วงบัญญัติดังนั้นมีตัวสัตว์สําคัญว่าไม่มีแล้วก็ปฏิโภคไม่เป็นอบัตแม้น้ำนั้นมีตัวสัตว์ แต่ว่าสําคัญว่าไม่มีมีความเข้าใจว่าไม่มีแล้วไปบริรรโภคไม่มีอาบัตสิกาบทดังนี้นั้นเป็นสัญญาวิโมกสัญญาวิโมกก็แสดงว่าต้องเป็นสจิติกะต้องมีเจตนาในการที่จะแกล้งร่วงในสิกาบทใดไม่พ้นจากอาบัติได้ด้วยความสําคัญคือแม้สําคัญถูกสําคัญผิดก็ไม่พ้นทั้งนั้นเลยดังบ่ายแล้วสําคัญว่ายังไม่บ่ายฉันขอที่เป็นยาวาตาฤกทั้งปวงก็คือติที่เป็นอาหารนี่ยนะ เป็นอาบัตสิขาบทดังนี้ก็เป็นโนสัญญาวิโมกก็คือไม่พ้นด้วยสัญญาจะสัญญาอะไรก็ไม่พ้นแสดงว่าเป็นอจิตตะกะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาวิโมกนี่พ้นได้ด้วยสัญญานี่หมายถึงว่าเป็นสัจจิตตกะก็คือต้องมีเจตนาในการวิจากระทําถึงนั้นจึงเป็นอบัตดั้นั้นจาง่ายๆก็คือว่าสัญญาวิโมกก็คือสัจจิตตกะโนสัญญาวิโมกก็คืออจิตตกะ อันหนึ่งสิกขาบททั้งปวงว่าโดยจิตมีสองคือเป็นสจิตตกะและอาจิตตกะอาบัตในสิกขาบทใดเกิดด้วยสจิตตกะสมุทฐานสามข้างปลายคือกายจิตวาจาจิตหรือว่ากายวาจาจิตอย่างเดียวไม่เจือด้วยอาจิตตกะสมุทฐานอันใดอันหนึ่งเลยสิกขาบทดังนี้ชื่อว่าเป็นสจิตตกะก็คือต้องมีเจตนาในการที่จะกระทำ การละเมิดหรือว่าการกระทําการสิ่งนั้นนะเปรู้ว่าสิกขาบทเข้ามีเจตนาในการที่จะกระทําจะรู้สิกขาบทหรือไม่รู้สิกขาบทก็ตามแต่ว่ามีเจตนาตั้งใจในการทําเป็นสจิตตกะอาบัตในสิกขาบทใดเกิดด้วยอาจิตตกะสมุทฐานสามข้างต้นคือกายอย่างหนึ่งวาจาอย่างหนึ่งกายวาจาอย่างเดียวหรือแต่อันใดอันหนึ่งเป็นสมุทฐานอันหนึ่ง อย่างเดียวก็แล้วแต่และมีสัจจิตกะสมุทฐานอันใดอันหนึ่งเจืออยู่ด้วยกว็ดีสิกขาบทดังนี้นั้นชื่อว่าเป็นอจิตตกะก็คือเมื่อเป็นอจิตตกะแล้วเนี่ยนะแม้ไม่มีเจตนาที่จะกระทำถึงนั้นก็ยังต้องอาบัตเลยจะโปรยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อมีเจตนาใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของการรับเงินรับทองเป็นอจิตกะจะตั้งใจรับหรือว่าไม่ตั้งใจรับก็แล้วแต่มีอาบัตมีอาบัตคือไม่รู้สิกขาบทก็แล้วแต่ ก็มีอ ბ ัตหรือว่านอนร่วมมาดุขาแม้ไม่มีเจตนาจะนอนร่วมแต่ว่ามาดุคาเกิดเข้าไปนอนแล้วหรือว่าพระพิจุตไม่รู้เข้าไปนอนก่อนมาดุคามานอนที่หลังก็เป็นอบัตินี้เรียกว่าเป็นอาจิตตกัสิกขาบทรู้หรือไม่รู้ก็ต้องอบัตทั้งนั้นเจตนาไม่เจตนาก็ต้องอบัตทั้งนั้นสิกขาบทใดเป็นสัญญามิโมกสิกขาบทนั้นเป็นสัจจิตตกสิกขาบทใดเป็นโนสัญญมิโมกสิกขาบทนั้นก็เป็นอาจิตตกั อันหนึ่งสิกขาบททั้งปวงว่าโดยวัชชะคือโทษมีสองก็คือเป็นโลกาวัชชะหนึ่งเป็นปันนติวัชชะหนึ่งอบบัตในสิกขาบทใดแม้เป็นอจิตกะดังตุราปานะสิกขาบทเป็นต้นจะเป็นอจิตกะแม่มีเจตนาในดื่มเข้าไปก็ต้องอบบัตจิตในขณะต้องในส่วนข้างสจิตกะคือมีจิตรู้นั้นเป็นอกุศลคือถ้ารู้ว่าเป็นตุราแล้วยังดื่มเข้าไปนี่เป็นอกุศลแน่นอน ดังสุราปานสิกขาบทนั้นเป็นสัจคิตตะทิตุแม้ไม่รู้ว่าเป็นสุราและให้ล่วงลาคอก็เป็นอาบัตแต่ในตัวนจิตที่รู้ว่าเป็นสุราและให้ล่วงลําคอเข้าไปเป็นอาบัตนั้นเป็นอกุตลจิตฝ่ายโลภถ้ารู้ว่าเป็นสุราแล้วยังดื่ม้าไปเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นโลภมูล สิขาบทนี้นั้นชื่อว่าเป็นโลกาวัชชะคือถ้าเป็นอากุศลเมื่อไหร่นี้เป็นโลกวัชชะว่ามีโทษอันนักปลาพึงเว้นพึงติดเตียนโดยโลกคือว่าถ้าสิขาบทนั้นต้องด้วยอากุศลไจิตเป็นโลกาวัชชะซึ่งว่ามีจิตรู้นั้นประสงค์เอารู้วัตถุที่จะร่วมดังรู้ว่าสุราเป็นต้นแล้วดื่มกินด้วยโลภจิต ไม่ประสงค์เอาจิตรู้บัญญัติคือให้รู้ว่าเป็นวัตถุที่ล่วงไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วยังล่วงเนี่ยถึงจะเป็นการรู้ไม่เกี่ยวกับการรู้บัญญัติไม่ประสงค์เอาจิตรู้บัญญัิคือรู้ว่าไม่ควรถ้ารู้ว่าไม่ควรและฝ่าอาญาพระพุทธเจ้ารู้สิกขาบทด้วยจิตอันใดจิตอันนั้นเป็นปฏิชฌจิตฝ่ายโทสะมูล ก็คือถ้ารู้สิกขาบทแล้วกแกล้งร่วงขณะนั้นก็จิตก็เป็นโทสะถ้ารู้อย่างเช่นตุลาเนี่อรู้แล้วก็ดื่มขณะนั้นเนี่ยเป็นโลภะมุรจิตอยากจะดื่มเป็นโลกาวัชชะแต่ถ้ารู้แล้วก็แกล้งร่วงปากฝืนจิตก็เป็นโทสะเหมือนกันเพราะเหตุนั้นสุราปานาสิกขาบทและอุยุตตสิกขาบทและอุโยทิกสิกขาบทเหล่านี้เป็นอาจิตตกะแต่ว่าเป็นโลกวัชชะ อุยุตตะนี่ก็เป็นอะไรอ่ะชักชวนไตบินทะบาทแล้วก็ตรงกลับอุโยธิกะนี่ก็ไปอยู่ในสนามรบไปอยู่ในสนามรบเป็นอจิตตกะเป็นโลกวัช ะ, ะก็แลกจิตที่รู้วัตถุแองอาบาดในสิขาบทใดแม้เป็นกุศลก็มีสิขาบทนั้นชื่อว่าเป็นปันนติวัชะว่ามีโทษอนนักปราดพึงเว้นโดยพุทธบัญญัติ จิตที่รู้วัตถุแองอาบัตในสิกขาบทใดแม้เป็นกุศลก็มีที่ขบนนั้นก็ชื่อว่าเป็นปันติวัชชะแล่ก็เป็นสิ่งที่นักปราชญ์พึงงดเว้นโดยพุทธบัญญัตินั้นโล ก, กวัชชะก็คือมีโทษอ น, นัตปราชญ์เนี่ยพึงเว้นพึงติเตียนโดยโลกก็คือไปต้องด้วยอกุศลแจิตแต่ถ้าเกิดต้องแล้วก็แม้เป็นกุศลจิตก็ยังต้องอันนี้ก็เป็นปานติวัชระ อันหนสิกขาบททั้งปวงว่าโดยกรรมก็มีสามคือกายกรรมก็มีเป็นวิจีกรรมก็มีเป็นทั้งกายกรรมและวิจีกรรมก็มีอบัตในสิกขาบทใดพิกสุจะพึงต้องในกายทวารอย่างเดียวดังอบัตเกิดแต่สมุทฐานที่หนึ่งหรือที่ 4. สี่สิกขาบทเช่นนี้ชื่อว่าเป็นกายกรรมก็คือสมุทฐานที่หนึ่งคือกายสมุทฐานที่สี่คือกายจิตอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกายกรรม อาบัตในสิกขาบทใดพิสูจนจะพึงต้องในวจีทวานอย่างเดียวนังอาบัตเกิดแต่สมุทฐานที่สองก็คือวาจาและที่ห้าก็คือวาจาจิตสิกขาบทเช่นนี้ชื่อว่าเป็นวจีกรรมอาบัตในสิกขาบทใดพิสูจจะพึงต้องในทวานทั้งสองทั้งกายและวาจาสิกขาบทนั้นชื่อว่ากายกรรมวจีกรรมว่าเป็นกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยก็สมุทฐานที่สั่งที่สามคือกายวาจาและสมุทฐานที่หกคือกายวาจาจิต อนนี้ก็ต้องทั้งใจกรรมและวัจิกรรมอนฐานที่ต้องธรรมโนกรรมอย่างเดียวไม่มีต้องด้วยใจอย่างเดียวมีวาจาอย่างเดียวมีแต่ต้องด้วยใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทางใจไม่มีอบัตอันหนึ่งติตกะมีสองก็คือกุศลติกะหมวดสามกำหนดด้วยกุศลจิตอย่างหนึ่งแล้วก็เวทนาติกะหมวดสามแห่งเวทนาอย่างหนึ่งที่สุเมื่อจะต้องอับัตมีจิตเป็นกุศลอยู่ต้องก็มีมีจิตเป็นอกุศลอยู่ต้องก็มี มีเจ็ดเป็นอภยักตะคือไม่เป็นกุศลและอกุศลดังนอนหลับอยู่ต้องก็มีอันหนึ่งเสวยทุกขเวทนาอยู่ต้องอบัตก็มีเสวยทุกขเวทนาอยู่ต้องอบัตก็มีเสวยอุเบขาเวทนามัธยัตยก็คืออยู่ตรงกลางอทุกขมสุขต้องอบัตก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้สิกขาบทได้กล่าวว่าเอกจิตตังมีจิตอันเดียวให้รู้ได้ว่าได้แก่อกุศลจิต จะมีจิตตันเดียวนี่นะต้องด้วยอวกุศลจิตและในสิกขาบทใดถ้ากล่าวว่าทวิจิตตังว่ามีจิตสองให้พึงรู้ว่าได้แก่จิตที่เป็นกุศลกับอัพยากตะต้องด้วยกุศลแล้วก็อภิญากตะด้วยในสิกขาบทใดที่กล่าวว่าติจิตตังว่ามีจิตสามให้พึงรู้ได้ว่าได้แก่ต้องอับัตยใได้ด้วยทั้งกุศลจิตทั้งอกศุศลจิตแล้วก็ทั้งอัพยากตะเลยในสิกขาบทใดที่กล่าวว่าเอกเวทนาว่าเ e วทนาอันเดียว ให้พึงรู้ว่าได้แก่ทุกขเวทนาสิครับทที่บอกว่าต้องอบัตด้วยเวทนาเดียวให้รู้ว่าคือต้องอภัตด้วยทุกขเวทนาถ้ากล่าวว่าทวิเวทนาว่ามีเวทนาสองให้พึงรู้ว่าได้แก่สุขเวทนากับอุเบขาเวทนาถ้ากล่าวว่าติเวทนาว่ามีเวทนาสามให้พึงรู้ได้ว่าได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบขาทั้งสามเลยต้องได้โดยอบัตต์ทั้งสาม อันติขาบททั้งปวงเป็นสานติกะก็มีอนานติกะก็มีข้อยางกับสหติกะนะสหติกะนั้นทํำด้วยมือตนเองเป็นรับทรัพย์อะไรพวกนี้สานติกะก็คือสั่งบังคับอนานติกะก็ให้เป็นไปกับการบังคับอาบัตในสิขาบทใดที่สุทําเองก็ต้องใช้ให้ผู้อื่นทําก็ต้องสิขาบทนั้นชื่อว่าสานติกะประ ก, กอบด้วยการบังคับก็คือทําเองก็บัต ใช้คนอ่นก็อบัติอบัติในสิขาบทใดที่สุทําเองจึงต้องใช้ให้ผู้อื่นทําไม่ต้องสิขาบทนั้นเป็นอนานติกะอนา น, านัติกะก็คือใช้ให้เขาทําไม่ต้องว่าไม่มีบังคับอย่างเช่นอะไรใช้ให้เขาไปเตตเมถุ น, นใช้ให้เปรตเตตเมถุ น, นตัวเองไม่ได้ต้องอบัติป ร, ราชิกเมถุนทําแต่ว่าต้องอบัติในการชักชวนในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควร แต่ลคนที่ไปเสพในตุนเขาจึงต้องอบัติปัติชิก ค, คใช้ยี่มีต้อมอย่างนี้เรียกว่าเป็นอานาณติกะก็คือไม่มีการบังคับก็แลสมุดฐานวิธีเป็นต้นดังกล่าวมานี้และจะประกอบในสิกขาบทซึ่งจะกล่าวข้างหน้านั้นไว้เป็นของสําหรับจะตัดสินอาบัติในสิกขาบทนั้นๆและให้เกิดความฉลาดแยกข่ายสังเกตกําหนดอาบัติในสิกขาบทมันนั้นประจําวินิจฉัยบางสิกขาบท แตาไม่ได้ปฏิบัตินในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิตุณีอะไรท่านก็ไม่ได้ในนิชายเอาไว้แต่ถ้าอยากดูรายละเอียดก็อยู่ในอัติกถาของวิพัมที่ขุยวิพัมที่ขุดีวิพัมในอัติกะถาสมันตปาทาธิการนี่ท่านจะแสดงสรุปไว้ทุกสิทาบทว่ามีสมุทฐานวิธีอย่างไรบ้างสมุทฐานดิกถาจบอันนี้ก็จบว่าด้วยเรื่องของสมุทฐานคราวนี้จะพูดถึงอาการที่จะต้องอบัต จะกล่าวอาการที่จะต้องอาบัตตอนแรกพิสูจจะต้องอาบัตินั้นด้วยอาการหกอย่างก็คืออารัชชิตาต้องด้วยความเป็นอรัชชีไม่มีความละอายอย่างห น, น, นึ่งอันที่สองอายานตาต้องด้วยไม่รู้อันที่สามกุกุจจะปะกะตะตาต้องด้วยความเป็นคนอันความรําคาญสงสัยครอบนำอยู่สงสัยแล้วก็ขืนทำอันที่สี่อากาปิเยกาปิยะสันยิตา ต้องด้วยความเป็นควรสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรอันที่ห้ากัปปิเยอากัปปิยะสัิตาต้องด้วยความสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรอันที่หกสติสัมโมสาต้องด้วยความหลงลืมสติเป็นหกอย่างดังนี้ทิฏฐิรู้อยู่ว่าไม่ควรย่ายีขืนทําการล่วงศิขาบทบัญญัติอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความเป็นอารัชชีไม่มีความละอายอันนี้ก็มีโทษมากที่สุดลักษณะแห่งทิฏฐุ ที่เป็นอรัชชีนั้นมีสามอย่างก็คือมีเป็นลักษณะของอรัตชีพิตรหนึ่งแกล้งต้องอาบัตปฏิสองปิดบังอาบัติไว้ด้วยปฏิสามถึงอัคติทั้ ง, ง ส, สี่มีฉันทาคติโสภาคติโมหาคติพยาคติตำเลียมเพราะชอบชังเกลียดหลงบุคคลนี้แหละชื่อว่าเป็นอรัชชีผู้ไม่มีความละอายพิตรเป็นคนข่าวมีปัญญาน้อยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทําและไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทํา สิ่งที่ควรทําก็ทําให้ผิดไปเสียดังเก็บดอกไม้ควรจะใช้อนุสับัญญด้วยกับปิยบูหารแต่ก็ไม่ใช้ไปเก็บเองมาบูชาพระเจดีย์ด้วยเข้าใจว่าเป็นกุศลดังนี้ชื่อว่าต้องด้วยความไม่อยู่รู้ไม่รู้แล้วก็ไปทําเข้าพิกตุเกิดความสงสัยขึ้นว่าสิ่งนี้ก็ดีทําอย่างนี้ก็ดีจะควรหรือไม่ควรดังนี้ครั้นจะถามวินัยธรนให้ตัดสินก็เห็นว่าถ้าวินัยทรตัดสินว่าควรก็จะต้องทํา ถ้าท่านตัดสินว่าไม่ควรก็จะพึงทำไม่ได้เป็นการลำบากเห็นเอาเองว่าควรป่าพุทธาฏยาล่วงศิขาบทอย่างนี้สิ่งที่สงสัยนั้นถ้าเป็นของไม่ควรก็เป็นอันต้องอาบัติตามวัตถุนั้นถ้าเป็นของควรก็คงเป็นอาบัตทุกกฎเพราะโทษที่สงสัยแล้วแล่ทำดังนี้ชื่อว่าต้องด้วยความสงสัยแล้วก็ฝืนทำนะการสงสัยครอบงำ เมื่อทําไปแล้วก็ต่อบัตรตัวหนึ่งแหละเพราะสงสัยแล้วขืนทําแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นผิดก็ต่อบัตรเพิ่มขึ้นถ้าไม่ผิดก็ต่อบัตรตัวเดียวเพราะว่าสงสัยแล้วขืนทำเมื่อเนื้อหมีเป็นอากัปิยะมังสะคล้ายกับเนื้อสุกรที่เป็นกัปิยะมังสะก็ดีและมังสะแห่งเสือเหลืองคล้ายกับมังสะแห่งเนื้อที่สูดสําคัญว่ามังสะแห่งสุกรและมังสะแห่งเนื้อแล้วแลฉันก็ดีหรือฉันอากัปปิยะโภชนะ สำคัญว่ากัปปิยะโภชนะปะดีและบายไปแล้วสำคัญว่ายังไม่บายฉันอาหารที่เป็นยาว่าตาฤกษดีชันน้ปะณะที่ไม่ควรสำคัญว่าน้ำปะณะที่ควรปรดีดังนี้ก็คงต้องอาบัตตามวัตถุนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าใจผิดสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนอย่างกัปปิยะมังตะคือมังตะแห่งสุ ก, กรอนและมังตาแห่งเนื้อ ที่สุดสาคัญว่าเนื้อหมีเนื้อถือเหลืองที่เป็นอากัปปิยะมังสาอากัปปิยะโภชนะสําคัญว่าเป็นอากัปปิยะโภชนะคืออาหารที่สมควรฉันได้เราเข้าใจว่าฉันไม่ได้แล้วแลฉันก็ดียังเช้าอยู่สําคัญว่าบ่ายแล้วแล้วแลฉันอาหารที่เป็นยาวะตาริกก็ดีและน้นะนะําปณะที่เป็นอากัปปิยะสําคัญว่าน้ำปณะที่เป็นอากัปปิยะแล้วแลดื่มกินก็ดีองเช่นน้ําผลไม้ธรรมดา ไปเข้าใจว่าเป็นน้ําที่ฉันไม่ได้แ้่น้ํานมนี้ที่เป็นอากัปยะก็เข้าใจว่าเป็นกัปยะอันนี้ฉันก็ไปก้วาวบาดตอนเลยเที่ยงไปแล้ว <_' celebrities> แต่น้ําที่เป็นอากัปยะอย่างเช่นน้ําอะไรน้ําแป๊บซี่โคลาอะไรพวนี้สําคัญว่าเป็นอากัปยะแต่ว่าก็ยังดื่มก็ดีดังนี้คงเป็นอบัติทุกกฎตามสัญญาก็คือไปเข้าใจว่าไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วก็ยังไปดื่มอ่ะอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ของควรจะฉันได้แต่สําคัญว่าไม่ควรแล้วเมื่อสําคัญว่าไม่ควรแล้วก็ยังไปดื่มอีกยังไปบริโภคอีกก็เป็นอบัตทุกปวดไปพิกตุนอนในที่มุงบางอันเดียวกันกับอนุสัมบัญครบสามราตรีแล้วครั้นราตีที่สี่ลืมไปนอนต่อไปอีกก็ดีและลืมไปอยู่ปราจากไตรจีวรก็ดีและไว้เพแักคือเก็บเพแักห้ามีเนยใสเป็นต้นที่รับประเคนแล้วให้เกินเจ็ดวันก็ดี และลืมไปไม่วิกับอธิษฐานเสียไว้อัตเรจีวรคือเก็บอัตเรจีวอนให้ล่วงไป1ิวันประดีดังนี้ก็คงเป็นอาบัตตามวัตถุนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยหลงลืมสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรทรงบัญญัติคาบทช่วยให้เราเนี่ยมีสติเยอะมากขึ้นมาขึ้นนั้นก็ต้องใส่ใจสำเนียกที่จะรักษาจะได้ทำให้มีสติเพิ่มเป็นอาการหดังกล่าวมาชนีทิกฐุจะต้องอาบัตก็ต้องด้วยอาการหกดังนี้แล จะต้องด้วยอาการอันอื่นนอกนี้ก็หาไม่ตกลงสิขาบทสองร้ยี่บเจ็ดหรือว่าของพิคุณีสามร้สิบเอ็ดก็แล้วแต่เวาจะต้องอาบัตจะต้องอาบัตด้วยอาการหกอย่างนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้ทุติยังอาปตินามาดิปปังจบข้อที่สองชื่อว่าอาปตินามาธิปัภะจะกล่าวถึงการปฏิบัติมุขะปภะข้อที่สามในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอนุโมทนาสาธุการแต่ท่านผู้มีศรัทธาในการนี้จศึกษาพระวินัยบัญญัติ เพื่ออบรมไตรจิตขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมไายตั้งหลางจะเป็นงอกงามในพระธรรมวิ น, นัยนี้โดยทั่วกรรันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ